ใจฟังธรรมเทศนาเมื่อนี้จะที่ปายงคอสองเรื่องไม่ใกล้นี่แหละไม่ต้องอื่นไกลไรดอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละข้อใหญ่ใจกลมไม่มีอะไรอกับความเกิดกับความดับแต่หากกว่วงขวางมาก หมดทั้งโลกนี้เป็นไม่เกิดกับดับเท่นั้นพูดง่ายๆของนิดเดียวแต่ห้าก็กลวงมากลวงกินกวงก้วงกว้างถ้าเมื่อเกิดก่อนหรือดับก่อนดับก็ยังเคเกิดและเกิดเริ่มเคยดับแต่ที่เจตนาลังรัวอะไรเกิดก่อน มันได้ดับก่อนท่านหากว่ายังเรียนไหวแต่เกิดอยู่เกิดก็ดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่เมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นเนก็เกิดส่วนับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบไปเกิด ไม่ชอบดับเห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเข้าใจว่าของใหม่ก็เลยชอบเอาชอบใจดางเด็กนี้เกิดขึ้นมาชอบเอาชอบใจจุกชมซะจนไี่ดีอหะแต่เวลาดับไปเข่าโศกเดือดร้อนวนวาย ความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความไม่จริงแล้วถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดมันมีอะไรจะเกิดมันดับแค่ก่อนมัน่เกิดเราทุกคนเนี่ยนะ <c oughs> ที่อยู่นี้เดียกันทั้งนั้นมีใครบางที่จะไม่ดับเอานั่ ง, น, งนี่ทั้งง้อดเลยนะ พิจนาห้สี่ทวเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายๆว่าตัวตายนั่นตัวจะอยู่ยังไงล่พิจิตตัวตายทั้งนั้ น, น, น, ต, น, ต, ต, น, นต้นไม้ภูเขาสรตวัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นวิถีแผ่นดินอันนี้ นู่นจเป็นของดับทั้งหมดให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพ้อเถินลุ่มหลงมัวเมาแล้วกับของเกิดนั่นแหละความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่เรายินดีกับความอยู่ของของเกิดนั่นจะแท้ดลจริงมันเสื่อม เกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนีน่เพราะเกิดมาพบในวันนั้นนะ่ะเวลานั้นนะ่ะขณะนั้นนะ่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยทละน้อยถ้าหากพิจารณาเห็นความเสื่อมอย่างนี้นเราเราจะไม่ประมาท ในพิจารณาความเสื่อมตรงมสิ้นไปของทังขานร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นและสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเบสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตนจ่ไมประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุก สิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเราในส่ายพินาราความเสือ่อมหากไม่เห็นวนพิจาณาของภายนอกเสยก่อนต้นไ้เอาอย่างต้นง่ายๆต้นไม้ต้ลุกน่นนะต้นพริกต้นเขือต้นละกออะไรก็ตามเด้วมันเกิดง่ายใหญ่โตเร็วนะ่ะมันเกิดขึ้นมา มันก็เกิดก็หาความเสื่อมที่แรกมันเกิดมามีใบนี้เดียวแตกออกมาณที่นี้มันเป็นใบออกมาแล้วงั้นใบมันก็ค่อยแก่เึ็นแก่ขึ้นจนเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วเป็นจริงจะง่าออกมามันแก่ไปคำว่าแก่นั้นสมกับคำว่าแก่จริง คือมันแก่ปัะหาความตายก็ไม่แก่ปหาความดับแก่ประหาความชิ้นศูนย์ยังเรียกว่าแก่ในภาษาอีสานงเราเรียกแก่นะคือว่าลากไปชักไปลากไปเรียกว่าแก่ลากไปไหนแก่ไปไหนแก่ประหาความตายเหมือนกันลากปหาที่สุดเหมือนกัน เอาต้นหนึ่งเนี้ยเอาต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างได้ก่อนมันกวาเห็นง่ายง่ายแล้วก็พิจารณาส่วนเนี้ยส่วนลึกเข้าไปอีกในส่วนที่มันขาหวังเข้าไปตรงนั้นอีกต้นไม้ที่มันมีหลายชนิดต้นไม้ลงมลุกแล้วก็ทําไมยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวลําดับจนกระทั่งมีแก่มีกระพี่ มีแก่นจนกระทั่งมีลูกมีผลแล้วก็มาหาตัวคนเราถ้าหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นเลยก่อนเห็นคนแก่คนร่งคนอื่นเลยก่อนเห็นค น, คนแก่ของคนนั้นเอาคนแก่ที่มันในที่เห็นอยู่ในปีจุฒินั้นสาวไปหา แต่เมื่อเด็กแต่เมื่อยังหนุม่มเมื่อข้อธรรมที่แรกันเสื่อมไปแต่ปวนไปสภาพชำรุดทรุดโทรมไปแล้วยังคอยมาพิจารณาท้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดีถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เหตบเด็ดขาด อั น, นี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุทธ เ, เจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงเบื้องต้นยังให้ภาวนาใช่ก่อนให้จิตสงบใชก่อนอบรมให้เป็นสมาธิใชก่อน เมื่อรองเป็นสวนสที่แล้วมันน่คิดเองหรอกมันคิดไปเองพิจารณาไปเองอมันหักเกิดความสลดชังเวศขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันฮดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองก็ใจฮดหูมันต่างหาใจฮดหูนั้น มันสลุดสางเวชมันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันพฮสโลงไปเศร้าหมอนคิดถึงเรื่องความา แ, แาาก่ความแล้วราเราเศร้าโศกเสียใจอะไรแอบหวอนกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นเลยเรียกว่ามีอะไรจะมั่นคงท้าหวอนอยู่ใด แต่เราไม่ไคิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงของมันความจริงความจริงว่ามันต้องซุดสองไปทุกวันเห็นใ้เกิ ด, ค, ดคิดอย่างนี้นเนต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยพนมนานไม่เกิดความรู้ความ เข้าใจในตามเป็นจริงของมันเห็นนั่นแน่ว่าการทำสมาธิภาวนามีอเนกสงฆ์มากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนี่จะแปรปรวนไปกระตั้งจะดับสูญสิ้นไปกระชาตัวของเราเนี่แหละเป็นเหตุตัวของเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปแล มันเป็นกระท่าของเป็นอยู่อย่างนั้นแค่ห้ามก็ไม่ได้แค่บอกก็ไม่ฟังนี่นเกิดขึ้นมามันต้องแต่ปวนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้เห็นตามไป็จริงเรพิจารณาตามไป็จริงเห็นตามไป็จริงแล้วพิจาณาตามไป็จริงแล้วก็หมดเรื่องกันเพราะพุทธศาสนาสอนแท้ทจริงเลย สอนองจริงเขาสอสอนตามเป็นจริงมนุษย์คนเราเข้าใจผิดไปไม่เห็นตามเป็นจริงของเราตัวของตัวของตัวเรานี่แหละไม่ใช่อื่นไปอย่างอธิบายให้ฟังกันนี้แหละความเสื่อมความเสี่อนไปเป็นธรรมดามนุษย์สังขารหวงม่าที่เกิดก็เป็นอย่างนั้น แต่มันไม่เห็นตามจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิภาวนาคนที่เป็นสมาธิภาวนาแล้วเห็นชัดตามจริงอย่างนั้นและไม่มีหวั่นไหวมีไงพิจารณาคงเกิดกับคนดับพิจารณาโดยการอย่างนี้แหละหนาวแ้วหังใจ ทำสมาธิภาวนาให้ถึงให้จิตเป็นเอกาตาลมของตัวเองเอกาตาจิตเอกาตาลมได้ก่อนอธิบายให้ฟังแล้วมันถึงจะเห็นทางที่มันเป็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเพราะเหตุที่ต้นไม่ดีต้นเราปลูกขึ้นทีแรกยังไม่มาทันงามผลมันก็เลยไม่เห็นมันปลูกขึ้นมาแล้ว มันกาปลูกต้นหญ้าต้นไม้อะเนี่ยปลูกต้นข้าวต้นอะไก็ตามเถอะงั้นปลูกแล้วจะเลยไม่ดายายาเปรคคุมวัดมันเลยไม่เห็นไม่ไม่มีผลตอนมันไขึ้นทรัมต้นคือสมาธิไม่แน่นนะไม่แน่นแฟ้นต้นคืนปมาธิไม่ตักไม่ไม่ลงหลักซะก่อน ให้เป็นรักฐานได้ก่อนลกที่มันลกคืออะไรคือสัพพิเรตขอ ง, งมดมันคุมอยู่คุมต้นของมันคามแกว่งห่องครัวพันยึดนั่นยึดนี่สารพัดทุกอย่างจะเป็นดึงจะไปชักมันออกจะเป็นดายมันออก มันเท่าไหร่ก็ยังบัทเทนหมดบางทีด้ยาได้เครื่องคุมมันออกก็ไม่ถึงตัวมันซ้าไม่ถึงต้นอยาซ้าไม่ถึงเครื่องคุมมันซ้าแล้วอยากจะได้แต่ผลอยาได้เห็นตามจริงมันก็เลยไม่เห็นสักทีของเหล่านี้แหละมันมแวดลรอมวันนี้ มันจะมาเป็นสมาธิภาวนาลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอลับตาลงครับตรงนี้มันวิ่งหนุดมันวิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหดนะวิ่งไปทุ่งไปนาว้วิ่งไปฝ่าไปเถื่อนวิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือนไปหมดมันเลยไม่เป็นสมาธิเราทาสมาธิต้องตั้งใจสิ จะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทำไมของอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นล่ะมันจะเป็นอะไรมาไ้าเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรให้ดอกเรานั่งทานนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันเวลานี้จะทำสมาธิตักบทมันลงก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลย ำห้เป็นรมาี่ได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบหลงคงที่ให้เข้าถึงใจความกลางความว่างเปล่าความไม่นึกคิดความไม่คิดอะไรไม่สงสัยอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นกลางนั่นอ เพื่เข้าถึงตัวนั้นเน่ยมันก็ง่ายถึงไปนิดเดียวนั่นทีสอนให้เอาไปง่ายเอาตรงนั้นแ่ะให้ทํำง่ายตรงนั้นแหละเข้าตรงกลางแล้วจะก่อนมันกลางตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหะไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายไ้่สงหน่าตรงหลังไม่คิดโน้นคนี้ไม่ปรงไม่แต่งไม่ปุงไม่แต่งมันก็หยุดทันทีมันจะไปไหน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 เรารู้จักว่าเฉยๆบอกบังคับมันได้นั่นแหละจึงจะเป็นใจของเราเราบังคับอะไรเป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งว่อนวิ่งหน้าวิ่งหลัง ต, ตะแรงสารพัด ท, ทุกอย่างนั่นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราสิ ก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของเาเอาเธอะชัดขึ้นมาได้จริง น, นความสงบนั้นมันเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรมถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลก จิตไม่หยุดไม่ยั่งจิตไม่หยุดไม่อยูย่ยยยยมันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานแล้วสร้างโลกหลายครบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงว่าเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกันพอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยชินมาไม่ค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นเรียกว่าเราสร้างมาแล้ว ในชาตินี้เราสร้างมามากมากว่าในทางธรมเราสร้างน้อยนิดเดียวคือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันหยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างขบเกิดขมดับก็งี้แหละมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกกับบ้านทั้งเมืองไม่ได้ทําวนาทำที่ไม่เห็นหรอก เห็นก็เปลี่ยนไปสักพูดีเฉยๆน่ะถ้าไม่ทำสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นยังทำสมาธิแน่วแน่นี่